ิบให้พวกเราได้จดจำเอาไว้และนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะไม่พลาดทิศวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองเดือนมีนา 2,529 ตรงกับวันแรมเจ็ค่ำเดือนสามดังนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นพวกเราต้องให้หนักแน่นจริง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 เทวดาอินพรมที่ไหนแก้ไขให้เราไม่ได้เราต้องแก้ไขตัวเราเองเมื่อเราแก้ไขตัวเราถูกต้องแล้วการเดินของเราก็คล่องตัวก็สบายขึ้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นจึงขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ขึ้นอยู่กับภูบาอาจารย์ที่ไหนเลยแต่อันนั้นมันเป็นเพียงที่ว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเอง ครูบาอาจารย์มาเป็นเพื่อนเท่านั้นเองท่านทําอะไรให้เราไม่ได้บางทีครูบาอาจารย์แนะนวไปทางพิษคลินเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วอย่างที่องคุรีมานเป็นคนพูดจริงทาจริงเนี่ยมันไม่คู่อิสสาลิษยาเบียดเบียนกันก็เลยแนะนำให้ครูอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนี้ พรูอาจารย์ก็เลยแนะแนวในทางที่ผิดองคุลิมานก็เลยได้ทำผิดไปแต่องคุลิมานข่าวนั้นไม่รู้นะถ้ารู้ผิดอย่างนั้นองคุลิมานไม่ทำแต่โชคดีอย่างหนึง่งองคุลิมานไปเจอเออกกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั้นมันผิดว่าอย่างนี้ก็ได้พูดคําเดียวเท่านั้นองคุลิมานเข้าใจเลย แต่ท่านพูดว่าเราหยุดแล้วองคุลีมันไม่หยุดว่ายัางไงหยุดทำไมเดินอยู่ที่ตรงนั้นองคุลีมันตอว่าแต่เราหยุดจากการทำชั่วองคุลีมันเข้าใจโอ้เราทำชั่วแล้วต้องแก้เลยพอดีหยุดจากการทำชั่วคิดรีตองฟังคำพูดแล้วได้สำเร็จเป็นพระนิยบุคคลได้ในขณะนั้นเลย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 แต่กรรมนั้นมันติดตามไม่ได้แต่เขาเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนกับหมาในไรเนื้อันบ้านของพ่อหมาในไรเนื้อเมื่อเนื้ออ่อนลงโซมลงเมื่อใดหมาก็ทันเมื่อนั้นอันนั้นเป็นคำพูดวันนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นเรามีจิตใจเข้มแข็งประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วกรรมมันหลุดไปนหน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 เหตุผลทําอย่างนั้นไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ดีนี่เหตุผลนแล้วก็รวมลงไปที่ใจทั้งหมดเลยแก้ประสบการณ์ด้วยเหตุการณ์ก็ดีแก้โดยเหตุผลก็ดีแต่ที่สําเร็จแท้ๆก็ต้องมาแก้ที่ใจใจนั่นเป็นสิ่งสําคัญทุกคนทําได้เมื่อเห็นใจจริงๆแล้วถ้าหากไม่เห็นใจจริงๆเราแก้ไม่ได้ บางคนทํากรรมฐานมานึกว่าทํากรรมฐานเอาบุญเอาข่มสงบข่มสงบอันนั้นมันไม่ใช่ข่มสงบแบบที่หลวงพ่อพูดนี่ข่มสงบแบบหลวงพ่อพูดนี่คือสงบหยุดไม่เก้อเขินไม่สงสยัยไม่ไปเสาะแสเแสวงหาโูบาอาจารย์ที่ไหนอีกแล้วอันนี้เรียก ว, ว่าสงบ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 กัลัญญานามิทขันทักจะพูดไปตามภาษาเราได้เพื่อนที่ดีเพราะตำาะ ร, ะ ร, ะราก็มีอยู่แล้วและพูดแนะแนววิธีคอยประเข้าประคองก็มีอยู่แล้วเรียกว่าเราได้เพื่อนที่ดีถ้าพูดว่ากันลัญญาณามิตรที่ดีก็เราก็ได้กันลัญญาณามิตรที่ดีแล้วเป็นไงเขาว่าเพื่อนที่ดีก็หมายถึงคอยดูกันมีเหตุผลยังไงเกิดขึ้นเป็น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 ผักดันเราไปจริงๆเปอนยังไงหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังเมื่อรู้จักรูปนามนี่หลวงพ่อมุดสงสัยแต่มันยังไม่เห็นความคิดความคิดมันดึงไปลากไปพอดีหลวงพ่อมาเห็นความคิดหลวงพ่อเห็นมันหยุดเมื่อมันหยุดแล้ววันนี้มันก็ต้องแสดงตัวมันเองเหมือนกับคนแก่สุกเข้ารูมาแล้ว บิดออกไปมืองไข่เองดังนั้นการทําความรู้สึกตัวทําความเคลื่อนไหวโดยวิธีเดกอตาดเราต้องให้รู้สึกอยู่กับความเคลื่อนไหวเมื่อเราไม่รู้ความเคลื่อนไหวในขณะไหนเวลาใดแล้วมันเข้าไปในความคิดทันทีพราะความคิดมันถูกชุดไปทันทีเลยเมื่อความคิดชุดไปเราไม่รู้ จึงมีอุบายให้มาอยู่กับผมรู้สึกไม่เราไม่ใช่เราจะเป็นนั่งอยู่เฉยๆเมื่อเรานั่งอยู่เฉยๆมันซุดเราไปบอดี่เราเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใด ก, ก็กำหนดรู้เราอยู่เสมอแต่อย่า ก, กำหนดเกินไปเพียงแต่รู้สึกเบาๆมันคิดมาเราก็ทิ้งมนันทันทีมาอยู่กับผมรู้สึกนี้เองดังนั้นการกระทํานี้จึง เป็นของไม่ยากไม่ลําบากไม่เดือดร้อนเป็นของทำง่ายง่ายไม่เดือดร้อนพอดีเห็นขมคิดรู้ขมคิดเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วบนี้ก็เห็นสมุทฐานของขมคิดแล้วก็เปรียบเทียบมันี้เปรียบเทียบขึ้นมาานี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์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 ดังนั้นคนเราจึงอยู่ได้เพราะความหวังเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ความหวังนั้นมีหรือไม่มีไม่รู้หลวงพ่อเองอันนี้เคยมีหวังว่าอย่างนั้นนึกว่าทำบุญบามากๆแล้วตายไปต้องไปเกิดสวรรค์ไปอยู่เมืองสวรรค์เมื่อบดบุญกุศลนั่นกลับมาเกิดเป็นคนมันเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นเป็นวิญญาณของสำหรับบุคคลผู้ไม่รู้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 พวกลือสีดาวบทเขาแสวงหาความสุขอยู่ในป่าในถ้าบัด น, นี้คนเหล่านั้นนะ่ะเป็นผู้สลาดบัด น, นี้คนในบ้านเราเป็นคนที่ทำมาหากินเป็นคนที่ไม่สลาดมีความจำเป็นเจ็บ่ข้ได้ป่วยเจ็บหัวปวดท้องก็ไปปรึกษาหาลหือกับพวกนั้นพวกนั้นก็บอกว่าเป็นน้ำผีบ้างพวกนั้นติดต่อผีได้ เป็นนําเทวดาบ้างติดต่อเทวดาได้เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงพวกนั้นไม่ใช่รู้ผีไม่รู้เทวดาแต่เขามีปัญญาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้คนผู้ที่ไม่รู้ตนนั่นเองคนทําดีจึงตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเขาว่าอย่างนั้นพวกนั้นเขาบอกอย่างนั้นคนทําชั่วตายไปแล้ไปเป็นผีนี่เขาว่าอย่างนั้นบร น, นี้ทุกคนอยากไปเป็นเทวดาวิญญาณอันนั้นไม่ใช่วิญญาณพระพุทธเจ้านี้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 เวทนาเขาว่าเสวยอารมณ์สัญญาเขาว่าจันได้สังขารเขาว่าปรุงแตง่งวิญญาณเป็นวารู้เนี่ยถ้าเราเสวยอารมณ์ทุกเราก็รู้เราเสวยอารมณ์สุขเราก็รู้เราคิดดีเราก็รู้เราคิดชั่วเราก็รู้จิ๋ววิญญาณเปตนวารู้ดังนั้นให้เราเข้าใจอย่างนี้ง่ายๆอย่างที่เราเคยสวดกันว่าขันห้าเนี่ย ขันสี่ขันขันเดียวน่ยขันห้าก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในว่ตถุขันห้าขันสี่แบบนี้ยขาก็ต้องว่าเวทนาขันรูปขันไม่เอาเอาแต่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นขันสี่ขันขันเดียวับเนี้กําลังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสองสารเนี่ย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 ตัวสมมติถหตัวนี้บัดนี้เมื่อเราเห็นมันก็เลยถูกหยุดเมื่อมันถูกหยุดแล้วมันก็ปรุงไม่ได้ท่านจึงสอนอะมักต้องเจริญมักต้องเป็นข้อปฏิบัติมักคือเรามาดูความคิดนี้เองต้องปฏิบัติคือการเคลื่อนไหวแบบนี้จะเป็นมักมักเป็นข้อปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนี้ จะ่าตัวสมุทัยตัวนั้นมันเป็นตัวทุกข์มักต้องปฏิบัติต้องเจริญนี่นี่โลดบนนี่โลกกระทาให้แจ้งวันนี้เราก็คอยดูตัวนี้แต่ตัวนั้นมันปรากฏเองเรารู้สึกตัวนี้ตัวนั้นขึ้นมาเราก็เห็นก็รู้เข้าใจแล้วก็แจ้งเข้าบนนี้เมื่อแจ้งเข้ามาแล้ววันนี้เป็นการสอนอันนี้เป็นการพูดกันเล่าให้ฟังแต่องตัวกระทํานั้นอ่ะมันจะเป็นเองวันนี้เมื่อเราดูมันเห็น มันคิดขึ้นมาในขณะไหนเวลาใดนั่นแหละเป็นการทำให้แจ้งมันคิดปุ๊บเราเห็นปับ๊บนั่นแหละเราเห็นแจ้งแล้วไม่เห็นความคิดเตตัวเห็นกับตัวรู้มันคล้ายๆ ค, ค, คืออันเดียวครับแล้วเราเรียกว่าวิญญาณก็ได้บันี้สังขารมันคิดหรือตัวสมัยไหมตัววิญญาณเ็เป็นตัวรู้ตัวเห็นต้งคนรู้แจ้งนอกจากความคิดแล้วไม่มีอะไรทั้ง ดังนั้นพวกพรามณ์สมนั้นเขาไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาพระพุทธเจ้าจะไว้เห็นผีอยู่ที่ตัวคนเองเห็นเทวดาอยู่ที่ตัวคนนั่นเองเทวดาก็คือคนทำดีพูดดีคิดดีคนมีหิริโอตปะปท่านว่าอย่างนั้นคนทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วเขาว่าผีเขาว่าไอ้ผีเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเห็นตัวเราก่วงสอกยาววาหนาคืบนี่มีพร้อมแล้ว ให้เราศึกษาที่ตรงนี้ได้ทุกคนทันไรดังนั้นเมื่อมารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องไม่ทอ้อถอยการกระทของเราไม่ต้องหยุดเราต้องพุ่มเทลงไปเล่งลงไปคือไม่ให้มีเวลาว่างกินข้าวส่งน้ำเข้าห้องนา้าห้องส้วมไปไหนมาไหนก็ต้องไม่ให้ว่างตอนนี้เลย ปฏิบัติกันจริงๆแต่ว่าคนอื่นจะเห็นเราไม่ได้ไม่ใช่แต่นั่งอยู่ในห้องกรรมฐานอย่างเดียวอันนั่งในห้องกรรมฐานอย่างเดียวนันคือฝึกหัดฝึกหัดควบคุมเอาไว้เราก็เลยเข้าใจอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ฝึกหัดเป็นการปฏิบัติฝึกหัดขั้นแรกเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติได้ต้นทางเขาเรียกเป็นผราโสดาบันบุคคล ได้กระแสรหรือได้ต้นทางได้ต้นทางได้กระแสรพระนิพพานก็ได้ต้นทางก็คือได้ต้นควมคิดนี้เองรู้จากการเคลื่อนไหวของเรานี่เองมันคิดมาเราเห็นเรารู้อันนี้แหละได้ต้นทางกระแสรพระนิพพานก็ยิ่งนี้พอดีไปถึงที่สุดของทุกเราก็ต้องดูควมคิดนี้เองนี่ว่านิโจรจจึงเป็นการทำให้แก้ก่อนที่จะรู้สานึก สําสำนึกได้เราบอกว่าเราจบได้ก็ต้องมันมีสิ่งที่สัญญาตัวเราทุกคนต้องตายถ้าพูดง่ายๆก็คือความตายนั่นเองเป็นนิพพานถ้าพูดอย่างนี้คนไม่เข้าใจก็หาว่าตาย แ, แท้เป็นคือตายนั่นเองจีบอกคนจึงตายคนจึงไม่มีคนเมื่อคนตายแล้วคนก็ไม่มี คนไม่มีกระดีอะไรก็มีเทวดาหรือมีพระเรียยบุคคลพระเนี่ยบุคคลกับเทวดาเนี่มันคล้ายๆกันคือเทวดา ต, ต้องมีความละอายสำนึกพระเรียยบุคคลคือพ้นจากข้าศึกแต่พ้นจากข้าศึกต้องคอยระวังข้าศึกมันจะขึ้นมาในรูปใดเนี่ยก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจอันนั้นเรียกว่าเป็นพระเรียยบุคคลเมื่อมัน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 ไปเข้าสานที่ไหนอีกแล้วนี่เราไม่รู้แล้วก็ไปไปเดาๆเอาก็ได้หรือว่าตีคมหมายเอาก็ได้หรือแปลเอาตัวหนังสือก็ได้ซานไปว่วรู้คือเราเข้าไปรู้เมื่อเรายังมีลมหายใจเมื่อมันตายมันเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นคนทุกคนต้องไปประสบอันนี้จึงว่านิพพานนั้นไม่มีอยู่ในคน คือรู้จักวิธีอันนี้นี่เองรู้จักวิธีที่จะตายหรือรู้จักวิธีที่จะหมดลมหายใจนี่เองมันต้องผ่านตัวนี้เข้าไปคนดังนั้นจึงว่าธรรมะอันนี้จึงไม่เป็นของใครเป็นของบุคคลคนที่ทำเท่านั้นเองคนใดทำถูกต้องถูกจังหวะแล้วคนนั้นต้องเต็นต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจต้องสัมผัสได้ เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตรถาคตคือกันแข้งขาหน้าตามือเท้าคือกันแต่สูงดำต่าขาวไม่เหมือนกันไม่คือสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันกับเราตรถาคตเหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันตั้งแต่เพศเท่านั้นเองเพศหญิงเพศชายไม่ไม่คือกันแต่เหมือนกัน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 กายวาจาใจท่านว่าอย่างนั้นเรื่องการฝุกหัดอย่างอื่นนั้นเราก็เคยสอนกันมามากแล้วแต่ว่ารู้ได้บางคนรู้แล้วสองสามวันก็ลืมเนี่ไปอย่างนั้นแต่บางคนไม่ลืมแต่ไม่ทําก็ดีนั่นไปนอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้แล้วว่าตัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายท่านทำอย่างเราตถาคตนี้เมื่อทำอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจต้องสัมผัสดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นดังนั้นครูบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้หรือหนังสือก็มีว่าผู้ที่จเจริญสติประธานสี่ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ คำว่าติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เดียรหมายถึงไม่ขาดช่วงไม่เซตนั่งอยู่ที่ห้องกรรมาฐานทีเดียวไม่ขาดสายคือไปไหนมาไหนทําความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอเีแต่ไม่ขาดสายไม่ขาดช่วงคือรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเพอน้อยรู้มากอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึง เจ็ดวันหรือสิบห้าวันคนใดจะเลือกอย่างนั้นน่ะติดต่อกปยังนนะัท่านว่ามีอนิสงส์สองประการท่านว่าหนึงเป็นพระอหรหันต์ในปัจจุบันพบนี้หากไม่ได้เป็นพระอหรหันต์ในปัจจุบันพบนี้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดท่านว่าพระอนาคามีนะั่นจะมาเกิดในมนุษย์อีกครั้งเดียวท่านว่าอย่างไรเหมือนกับพระโสดาบันเอกาพีซี P C, ตัวหนังสือว่าอย่างไรพระโสดาบันเอกาพีซี P C, เนี่ย จะมาเกิดเมือนมนุษย์ข้างเดียวพระอนาคามีก็จะมาเกิดในมนุษย์ข้างเดียวแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องมาแล้วคาว่าพระอรหันต์เนี่ยให้เข้าใจตัวเห็นดีชั่วอยู่ที่ตัวของเราเราทำยังไงเราจะเห็นเราจะรู้เราจะเข้าใจแก้ไขที่ตัวเรานี่เองเมื่อแก้ไขตัวเราได้แล้วคนอื่ น, น่จะแก้ก็ได้ไม่แก้ก็เพียงแต่เ น, นี่ยเนี่วเท่านั้นเอง ดังนั้นจึงว่าพบเพื่อนที่ดีลึกกัญญาณมิตรที่ดีทันไวเมื่อพบคบเพื่อนชั่วกัญญาณามิตรที่ชั่วมันก็ถลําไปชั่ว ท, ทันทีพบคนที่ดีมันก็ไปทางดี ท, ทันทีดังนั้นการศึกษาธรรมะแบบนี้จึงง่ายที่สุดรับรองได้อันเนี้ยถ้าทําติดต่อกันอย่างที่เราทําเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องกรรมฐานโดยซัฟฟอน อยู่ห้องกรรมฐ า, านสามปีเราไม่ได้แล้วมันต้องไปด้านมานี้อาศัยการไปการมาแต่เราตระมัดระวังสามปีนี่เข้าใจว่าจะประชิญหน้ามันจริงๆไม่มากกว่าน้อยแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่ประชิญหน้าก็ต้องคําพูดจําได้เมื่อจําคําพูดได้แล้วก็ต้องปฏิบัติเลยเมื่อไม่นประชิญหน้าเราก็ต้องรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง มันเป็นอย่างนี้เองเมื่อเราเป็นเราเห็นเรารู้เราก็ต้องเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนย้ำแล้วย้ำวาสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายทําอย่างเราตถาคตนี้ทําอย่างพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าต้องเอาจริงเอาจังทําไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อน ถึงจะรู้แล้วท่านก็ไม่วางทุเลหน้าที่ของท่านเคยได้ยินไหมพระยศสักรอกไปพระพระเจ้าเดินจมกรมที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องพระพรุทธเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านจงเดินมาที่ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าพระพรุทธเจ้านั่นต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอทําทุเลหน้าที่ของตัวเอเสมอ ที่พูดเนี่ยเอาสามปีเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องเทวดาผีเรียกว่าพระอาหารหันต์น้อยๆก็ได้เนี่ยจะเห็นได้จริงๆแต่ส่วนสภาพเดิมนั้นมันจะหลุดหรือไม่หลุดนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึง่ง mm hmm. เมื่อเราเป็นพระอาหารหันต์น้อยขึ้นไปก็แสดงว่าเราเดินไปหาพระพุทธเจ้าถูกจุดเป็นอย่างไง mm hmm. เอาระยะเสาเดือนแบนบ น, นี้หนึ่งปีแบบนี้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 เข้าห้องน้ําห้องส่วมลืมซักเสื้อซักผ้าลืมอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ติดต่อกันแล้วมันขาดแล้วคือเราไปเข้าห้องน้ําห้องซ้วมแล้เราต้องปฏิบัติไปซักเสื้อซักผ้าก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติวิธีใดอันที่เรารู้สึกตัวมันคึกขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนั้นเนี่ยตัวการปฏิบัติแท้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 ขันทั้งห้าเป็นของหนักเนคือรูปนี่หนักขันห้าหนักเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์คนเราจึงอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปไหนมาไหนไปด้วยทุกข์เมื่อวางทุกข์เมื่อใดตายเมื่อนั้นจึงว่าคนตายแล้วทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้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 ความสบายนะ่จะลดไปลดไปมันจะเป็นปกติอยู่อย่างนั้นตลอดกาล